รัฐธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าปัจจัยคืออสสรพิษแต่ถึงยังไงตั้งพระไม่พระเก่า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 หลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ชั่วยอย่างเก่าพอทำความชัว่วถ้าทำความดีก็ดีอย่างเก่าหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ก็ดีอย่างเก่าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าอย่าหลอกตอนเองเมื่อหลวงพ่อไม่อยู่ก็คึกขนองแมวไม่ อ, ามาอยู่หนูขนองนะยันได้เป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานต้องสำรวมกายวายใจให้เห็นโทษอยู่เสมอให้เป็นผู้มีศีลาจารวัดอยู่เสมอแติงไหนที่มันหนักหนา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 ถ้าเก็บไว้ละเกงระกะเนี่ยเหมือนกับของมีคมเน่ยทิ้งไว้เกิน เ, นเดี๋ยวคนนั้นเตะคนนี้ถีบเดี๋ยวก็เป็นแผลเบือบะไปหมดเพราะฉะนั้นจะตุปัจัย่าไปว่าเป็นของดีทีเดียวไม่ได้นะอันตรายนะอพระพุทธเจ้า ว, ว่าอสรพิษอสรพิษนะท่านบอกอสรพิษนะปะจนะัจจัยนเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องได้เก็บไว้เป็นสัดส่วนพอสมควร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 ชาวนาเข้ามาในข่ายคือพยานเข้ามาในจอเลดาคือท่านสายจอเลดาไปทั่วโลกก็ได้ท่านก็เห็นชาวนาเข้ามาในจอเลดาของท่านคือข่ายคือพยานท่านเอจะมีเรื่องอะไรเออถ้าเราไม่ไปช่วยชาวนาเนี่ยชาวนาเนี่ตายฟรีแต่เมื่อเราไปจุดนี้เนี่ะชาวนาคนนี้จะได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วก็พร้อมกันจะได้สำเร็จหลายหลายคน ได้จําร็จมรรคผลแล้วก็ถึงพระไตรสทนาคมก็จะมีมากเราควรจะไปโปรดเขาในวันนี้ในเช้านี้จากนั้นพระองค์ก็ไปกับพระอนุนเดินบิณตะบัดเดินออกจากวัดป่าเชตตะวันเดินไปก็ไปปานไปผ่านเดินไปก็ไปผ่านชาวนานะ่ยนะแต่ในคืนนั้นท่นี่โจรเข้าไป คือกำแพงกรุงสวรรค์ถีมีกำแพงร้อมรอบคือ ก, กำแพงวัดของเราเนี่ยคงจะกำแพงใหญ่แต่นี้เขาก็เข้ามาทางอุมโมงค์เข้ามาทางท่อน้ําะคงจะไม่มีตะข่าย ม, มีไม่มีลวดดักเอาไว้มั้งสมัยก่นอนคงจะหาเหล็กยักยากนะแตนนี้เขาก็มุดเข้ามาตามอุมโมงค์อุมโมงค์ตะข่ายอาอุมโมงค์เข้ามาเขาก็มางัดแงะบ้านของคู่คนก็ได้เงินได้เงินได้ทองเขากด หมายตาไว้แล้วนะ่ะบ้านหลังไหนรวยฮะเขาก็ขึ้นมางัดงัดเสร็จแล้วก็ได้ทองได้เงินไปออกไปอุโมงค์ไปตามก็เดินเดินไปก็ไปผ่านท้องนาพอ่านท้องนาเสร็จแล้วเออถ้าหาว่าเราเอาไปเราอาจจะทิ้งเงินอเรี่งเงินไว้ที่นี่ถุงเงินไว้ที่นี่ด้วยเพื่อเขาตามมาก็จะได้เห็นว่าเห็นเออไอ้นี้แหละเป็นคนอเป็นคนเป็นคนเข้าไปขโมย เนี่ยมันมันทํ า, าท่ามาไถนาเนี่ยอขโมยเขาก็มีแผนเหมือนกันนะเนีเนี่ยว่ามีแผนมีแผนเอาความช่วยให้คนอื่นว่างั้นอะเอาแผนมีแผนเอาเอาความช่วยให้คนอื่นทิ้งความไม่ดีให้คนอื่นทีนี้ก็พอได้มาแล้วก็เขาก็ได้แล้วก็วิ่งมาผ่านเขาก็ทิ้งถุงเงินไว้ในท้องนาถุงหนึ่งไว้ในคันนาข้างๆจากนั้นโจ้ก็ไปแล้วทีนี้ อจํานวนอื่นเขาก็หอบไปด้วยนะ่ะทีนี้ก็ชาวนานีน่ยค่ะตื่นเช้ามากับแบกแหน่ไถมากับหมาไถนากับบัวไถอีกคันอีกใกล้ๆกันนั่นแนหะไห่ไถใกล้ๆกันพระพุทธองค์ก็เดินอไปกับพระอนนานนท์พระอานนท์ตามหลังพอไปไปแล้วพระพุทธองค์เห็นเห็นถุงทซั์ เห็นถุงซับที่เขาวางเอาไว้อานนเห็นไหมนะอสรพิษอานนเห็นไหมอสรพิษอะ่ะอโนนเห็นไหมอสรพิษเห็นพระเจ้าข่าฮ ะ, ะ, ะจากนั้นพระ อ, องค์ก็เดินไปเดินไปกับชาวนาที่อยู่ใกล้ๆของมึงก็ได้ยินเลยนะพระพุทธองค์บวช น, นะอานนอสรพิษนี่ยนายคนนั้นกอโอ้ไม่ได้เนะถ้ามันอสรพิษอยู่ที่นั่นเนี่ะ มันก็จะกัดเรามันอยู่ใกล้เรานะี่ยเตรียมค้อนไปเหล่างั้นเถอะไปจะไปฆ่ามันว่างั้นนะฆ่าอสรพิทตีพระพุทธเจ้ากับพระอา น, นุ์เดินผ่านไปนะพอไปไปเห็นถุงเงินเลยนะี่ยโอ้หอันนี้ไม่ใช่อสรพิษหรือเปล่าถุงเงินในนาวว่างั้นเงินสมัยนะั้นเงินเหรียญใช่ไหมล่ะเต็มถุงเนละจา่าถก็ จ, จับเงินเหรียญไปก็มุมมับมาเปล่าทีนี้อ่ขโมยเอาของ ข, องขมาลอย ว, ว่างั้นเถอะ ไปก็ไปซ่อนเอาไว้บ้านพ่อืพอพไปซ่อนเอาไว้แนะ่ในกับพวกตำรวจสันที่บานพวกตำรวจหมาอยู่ในเมืองกรุงสวรรค์ทีคงจะมีตำรวจหมามันยังเขาจึงรู้ได้ขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้พระไตรปิฎกท่านก็ไม่พูดละเอียดท่านก็ออกมาตามรอยโจรมาตามตามตามตามมามาเห็นตัว น, นั้นเขาก็ตามอีกไปเห็นถุงซับตัว น, นั้นอีกแี่ยพอเห็นถูกรับตัว น, นั้นก็ เขาก็จับชาวนาคนนั้นแล้วไงพอจับมากัมัดแขนที่ดี้ดก็แส่หววตัวนะแกในใช่ไหมเออเป็นโจรเป็นโจรมาแล้ว ท, ท่ามาัดไถนาเนี่ยฮะไม่ใช่ผมไม่ได้ขโมยผมไม่ได้เป็นผมเป็นเพิ่งๆพ่งมาจากชาวบ้านนะใครมึงเอาตะแกนี่ลอยตะแกนี่ เออเอาถุงเงิหมอยที่นี่ทําไมเอามามาได้ยังไงออบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าพนอนทเดินผ่านมาบอกว่าท่านว่าอส ร, รพิษอานอน์อส ร, รพิษนี่ อ, อนอนท์อส ร, รพิษผมก็เลยไปเห็นไปเห็นก็เลยว่าเป็นถุงเงินผมก็เลยเก็บเก็บเอามามาไว้นี่แหละ ว, ว่าเป็นผมก็เอามาเก็บไว้เพราะว่าไม่มีเจ้าของเนะมันทิ้งไว้นั่นแต่นี่ถามทีตทีทีเทรดมันก็ มันก็บอกอย่างนั้นหน่อเขียนหวทหลังเท่าไหร่มันก็พูดอย่างงั้นใช่ไหมในพวกตำรวจก็จับมาถึงพระเจ้าเปรศน์พระเจ้าเปรศน์เออไม่ได้เนี่ยมันพลาดพิงถึงพระพุทธเจ้าเนี่ี่พวกเราจะต้องเอามันไปถามเราจะไปตรงลงโทษจะเลยไหมไม่ได้นะมันพลาดพิงถึงผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะมีเหตุทช่แล้วเนี่ยไปจับมันไปเอาเลยจับไอ้ชาวนาไป ไปก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขานี่ชาวนาเนี่ยมันไถนาอยู่ตรงนั้นน่ะมันอ้างมันพาดเพิงถึงพระพุทธองค์ถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่านั่นนหะอสรพิษอานนท์อานนท์อสรพิษเนี่ยเขาพาดเพิงอย่างนี้เป็นความจริงอย่างไในหนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์เออใช่เมื่อเช้าเราตถาคตเดินผ่านไปนั่นแหะก็เลยชี้ให้อานนท์ดู วันนี้อโนนอสวรพิษจากนั้นก็เดินผ่านไปชาวนานไม่ใช่ไม่ใช่โจรผู้ร้ายเอามาไถนาตามปกติแต่โจรผู้ร้ายอีกคงจะเป็นอีกกลมหนึง่ะแต่ในพรพุทธองก็ยืนยันลักษณะอย่างนั้นแ่ะจากนั้นเขาก็เลยพบะพรทองค์บดชาวนาท่าน้นโอ้ชาตุเอถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นสกขีพยานข้าพระองค์คงจะถูกตัด เสียญวันนี้ตัดคอวันนี้เหมเอนะจากนั้นพระองค์ก็เลยเทศให้ฟังเวียนไัยในวัฏฏะสงสารนะมีมากมายทางว่ายังเวียนไหวาตายเกิดอยู่เนะี่ยไม่รู้ใครจะหาเรื่องใส่ใครทั้งที่ชาวนาเขาก็ไม่มีเรื่องแต่ว่ามันเรื่องมาพาดมาเกยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนเอย่ามาเกิดนัในดีที่จุดลักษณะอย่างนั้นนะพราะพทธองค์เทศ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 คันช่า ย, ยาฟินเฮโรอีนยาบ้ายาม마บางทีขายยาบ้ายาม마เอาเงินตัวเองไปขายลงทุนอแล้วเพอเพอจ้างเงินของตัวเองไปจ้างให้ฆ่าคนอื่นอีกอผ ล, ลที่สุดเงินตัวนั้นก็นเลยมาเกี่ยวเนื่องกับตัวเองแปลว่าใช้เงินไม่เป็นเนี่ยถ้าใช้เงินเป็นให้เกิดประโยชน์อมาเลี้ยงครอบครัวพัฒนา ตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาประเทศชาติช่วยเหลือผีน้องผู้ทุกอย่างลำบากก็เกิดประโยชน์เนี่อันนี้ก็คือการใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยขอให้พวกเราทุกทุกองหน้พาพระเนทุกองค์ที่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้สารวมกายวายจาให้เป็นผู้ตรงในศีลสมาธิปัญญาตอนเย็นกันเนะ่พากันไหว้พระสวดมนต์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 กลัวต่หลวงพ่ออย่างเดียวหลวงพ่อไม่ใช่ยมพบาล น, นะหลวงพ่อไม่ใช่เจ้ากรรมนะเจ้ากรรมนายเวญนะไม่ใช่เจ้าบาปนายบุญนะบาปบุญพวกท่านทั้งหลายทำเองทั้งนั้นหลวงพ่อเป็นผู้พานำหลวงพ่อทาบาปหลวงพ่อก็ได้รับบาปเหมือนกันหลวงพ่อทาบุญหลวงพ่อก็ได้บุญเหมือนกันเป็นของใครของเรานะไม่ใช่ทำทาเหลื่อมกันทากันทำแทนกันได้ แต่ว่าเป็นผู้แนะนำตอนนั้นเองเป็นผู้พาดําเนินท่านั้นเองเดินอย่างนี้นาะจึงจะถูกต้องเดินอย่างนี้ผิดเดินอย่างนี้ถูกอย่างนี้เป็นธรรมวินยัยพ่าะอะไรเพราหลวงพ่อเกิดก่อนบวชก่อนศึกษามาก่อนก่อนแนะนําพี่น้องลูกหลานให้เดินตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเองนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร